นี่ยังดีงที่มันอากาศเย็นนะพอช่วยบ้างแต่ถึงอย่างนั้นมันมันก็ยังเป็นไดน้เพราะความเร่นทําการพูดมันเร่งทำไงไม่ได้บา ง, บ, างบังคับมันเป็นไปตามอะไรพูดไม่ถูกมันจะหนักจะเบาก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติมันเราบังคับไม่ได้ไม่แต่เสียงเหมือนกัน เสียงคล้ายเสียงแรงก็เป็นไปตามหลักธรรมชาติของมันถ้าพอจะแ ย, ยบจะบังคับนี่มันก็ออกนอกรูปนอกทางไปเสียไม่ไปตามร่องรอยทางหลักธรรมชาติธรรมะก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ <c oughs> <c oughs> เป็นไงมันอ่อนลงอ่อนลงรสชาติขันตัวนี้มันยัไม่เล่นไม่อยากเล่นกับอะไรจะเล่นละ พี่นา ม, มดุดอะไรไปว่าในสามแดนโลกธาตุมันองไปมันเองกิดหมุนมันไปเองนั่นถึงกล้าพูดที่ว่ามันจะสามโลกธาตุหรือสีโลกธาตุก็ตามกิดดวงเดียวนี้ไม่ไปยุ่งแล้วมันก็เหมือนไม่มีนี มีอะไรกับผู้นี้ไปให้ความหมายเนี่ยอันนั้นมีนี้อันนี้อันนั้นเป็นนั้น น, นี่เป็นมีพอคนนี้ผู้นี้หยุดจะแต่อย่างเดียวทั้นก็หมดความหมายไปเลยนี่มันมรู้ชัดแล้วสิมีผู้นี้เป็นสาคัญตอนนั้นตัวรู้นี่แหละคือตัวหลงหันวนี่ยวัดตรอมก็ไม่หลงวัดตอมก็ไม่ทุกไม่รู้แต่รู้นี่แหละคือตัวหลงตัวทุก อย่ที่บอกก็จะดีองวันพวกนีะบอกว่าพวนี้มันมากเลยเนี่ยชอกลามปูยมากเพื่อนะไม่บอกอัหนี้เนาะเคยพูดว่าความรู้ออย่างเี้คือเด่นๆอย่งเ้รื่องารรงขันอี้มันเป็นกระแสของมุขั้งงาน มไม่ใช่ธรรมชาติแท้นะนั่นนะคือว่าชันที่โกสุดเอื้อมของชาวมนุษยทั้งหลายเราเคือชั้นที่โกอันนั้นอะ่ะอันสุกเอื้อมนั้นอันไม่ใช่ธาตุไม่ใช่ขันนันคือ เขามาประกาศนี่คือคือเขาเอาเงาเนี่ยคบเงาเนี่ยมาว่าถ้าพระรหันธ์ถ้ายังนอนหลับอยู่แล้วไม่ใช่พระรหันก์วกวากบขัน ว, วะพระรหัน์ต้องเป็นชาคาโรไม่มีหลับไม่มีไม่มีหลั บ, ลบเขียนอั่นี้นือต้องอ่านโอ้โห ไม่จะสอนคนง่ายสลาดมนจ้าของเป็นสนน่วงโง่สาสอนคนนี้ยสลามมึงก็เข้ากันนาดกับพี่ว่าพระพุทธเจ้าก็ยังต้องสวยลุกเวทนาเนี่ยไมไ่ผิดกันเลยเลยนะยกตัวอย่างขงนึนด้วยเราเห็นได้เวลาพะปปลาาระองค์เสด็จไปุกุศินราจะไปนิพพาน รับสั่งให้พันวลลาดสังขาติเราจะพักเราเหนื่อยอนุนเราสั่งให้พันวนตักน้ำมาสวยอาหายน้ำเราหิวน้ําหาร น, น้ำนันไม่สวยนันจะไปว่ามันระว่าหนักกันสิรับอันนี้มันก็เอาเข้ากันได้ร้อเปอร์เซ็นเเข้ากั น, นได้ม่มผิดเละ แตพูดคำภาษาเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าเอาน้ํามาเติมเติมรถเนี่ยรถมันน้ํามันหมดแล้วพักเครื่องมันหน่อยเดี๋ยวมันจะไปไม่ถึงที่ความหมายว่างั้นแต่ผู้ขับมัก็ดีๆีเลยเป็นไรไปแตวรถน้ํามันหมดหรือน้ํามันมันหมดเครื่องมันร้อนเกินไป พักเครื่องน้อยความหมายให้ข้อเหมาะให้ถูกต้องอย่าไปว่าเจ้าของนี่เสวยทุกคนขับรถนี่ใช่หมดน้ําหมดถ่าเครื่องเขาร้อนไปหมดเครื่องนี่เ็เครื่องของรถคข้อหมายว่าอย่าง น, นาาั้นนี่คืออนนนท์ข้อหมายก็ว่าขันนี่ขันถ้วันจกนี่ก็เหมือนกับรถพูดง่ายๆ่ามันต้องการน้ำเพราะขันกับน้ําเป็นสมมุติอันเดียวกัน มันจะไม่ไปถึงไหนจะไม่ไปถึงกุชินาราหรือนะอันนั้นมาเติมพักเครื่องหัวล่าทั้งคาติเราจะพักนั่นนี่เต็มส่วนคถาโคตรติแทจริงกุความบรสูทนั้นมากเกี่ยวข้องอะไรกันน่นอันนี้หมุนอยู่ในวงสมมติทั้งนั้นอันนั้นเพียงอาศัยยี่ใดขันนี้ตอนนั้นแหละแต่ไม่ใช่ขันตรงนี้ไม่ ใช่เรื่องความหีวความกระหายจะมาสวยกันได้ยังไงคนละโลกถ้าพูดพิ้งกโลกนี่นคือพระอรหันต์นอนหลับอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์นี่เป็นชาคโรชาคโรก็มีในหลักชาคาโรพระอรหันต์กับชาคาโรของธาตุของขันต่า ง, างกันคือเจ้าชาคาโรเจ้าขันนี่ไปบวกเขเป็นชาคาโรท่านได้ยังไง ความรู้ที่ที่เป็นอยู่ในขันนี่มันเป็นความรู้ของในวงสมมุติทั้งนั้นจึงต้องมีการระงับการเกิดขึ้นการดับไปเช่นเวลาหลับกร็ระงับเปลือยไปทางหูจมูกทิ้งกายดับไปหมดความรู้ที่ประสานกันเกี่ยวข้องกันกับทางตางหูจมูกทิ้งกายนินกร็ระงับไปนี่นั่นเป็นนิจจังหรืเป็นอนิจจังล่ะทังใช่ มันมีเก่มีดับเจ้า น, นี่เราเป็นชาพันละนอกจากนี้ไปเป็นซันติโกโดยเฉพาะของผู้เกิด น, นั้นเท่านั้นผู้ไม่เป็นผู้ไม่ได้รู้ไม่ได้ว่างั้นเลยมีเราซันติโกฟูดเอื้องตรงนี้ หรือประจจังก็ได้กลุ่มนี้เรายกเว้นสนนิโกเหล่านั้นเสียที่ปริยานนอกจากนี้ไปเอาสันธิโคที่ที่ถึงจุดสุดท้ายเลยก็คืออันนี้เองผมก็เคยได้วิจบทกยบกับพ่อแม่ครูอาจารย์แต่อันนี้ผมระวังนั้นนะี่นะเพราะตอนนั้นเรากำลัง ตข้าได้เขาเขียนหัวเยวหัวต่อของเราการพิจารณานี้มันหมุนติวต้วติ้วติ้วบท่านเพียบมากในทางธาตุขั น, น ท, ทนั้งทีธาตุขันบาท่านยังมีลักษณะมีลักษณะเหมือนกับครางอแอบบางแต่ไม่มากนะหาพอจะมาพิจารณาพอจะให้สงสัยไอ้พวกที่มันชอบสงสัยพาดตะคุกเงาเนี่ยมันชอบเอาพอตะคุกเงาได้เพางั้นถึงอ่ะงานท่านมีลักษณะ ลาร่างกายงท่านมีก็ท่าขันมันก็เป็นน้ำมันเช่นน้ำเช่นกระตุกนี้มันก็กระตุกมันได้อย่างนั้นเนี่ยเมื่อท่ า, าขันท่านมีอะไรใส่อะไรแต่บ้างก็มีแต่ไม่มากนะหากพอตะคุบเกษตรเ อ, เ, ร เ, อเดนมาและมันถึงตะคุบไอ้พวกหาเศษหาเดนเนี่ยหาของกิงหาของในเดนเน่ะมันก็มีลักษณะเหมือนกับทางอะไรนิดหน่อยแล้ว มันก็แยกมาหลกจิตของเราอืเพราะท่าไม่เข้าใจนี่เวลาท่านมีลักษณะอย่างนี้นั้นจิตของท่านจะเผลอไหมนะเทียงเท่านั้นก็ระงับตัวของเลยเพราะมันมันระวังกันอยู่นี่มันรู้อยู่ทุกขณะมันไม่ได้เผอนี่สติในระยะ น, นั้นมันไม่ได้เผลอพอมันแยกองค์นี้ระงับทันทีเลยเรียกว่าไม่เอื้อ่งต่อไปอีก มันก็ไม่ลืมเวลาพี่นาตอบในขั้นต่อไปนั้นมันก็กลับมายอมท่านโอ้โหมาขอกราบท่านอย่างราบเลยนะขออถิมท่านเละมากราบอันนี้เราแน่ใจว่าหมดไม่มีอะไรเหลือเลยพราะเป็นสิ่งที่เราระวังมันไม่มีอะไรเหลือแหละโทษกรรมอะไรก็ไม่เหลือพระพุทธจึงว่าเศของส ม, มุทรมันก็ไม่เหลือ มคือมันยอมในหลักธรรมชาติสิโอ้โหทันทีเลยก็เ ร, เรื่องธาตุเรื่องขันจะบวกกับธรรมชาตินั้นได้ยังไงนั่นอันนั่นที่ว่าเป็นอันหนึ่งต่างหากอันนี้มันก็เป็นเรื่องของมานของธาตุของขันเทียบแล้วก็เหมือนกับไฟไม้ฟืนเนี่ยยกตัวอย่างขึ้นไม้กอไฟมันไม้กอไผ่เสียงระเบิดปังปังปงปังั ง, ง, ง, ง, งโอ้ยสงเปีขึ้นจดมเมฆอ่อ เหมือนกับไฟนั่นก็มีวิญ ญ, ญาณไม้เชื้อไฟน่นไม้ไผ่นั่นก็มีวิญ ญ, ญาณระเบิดกันต่างๆต่างๆมันทำงานต่อกันไฟก็ไม้เชื้อเชื้อก็ระเบิดต่างๆตงๆเหมือนกับต่างอันต่างมีวิญ ญ, ญาณต่อสู้กันแล้วความจริงนั้นไฟมันมีความหมายในตัวขงมันเมื่อไหร่ มันไม่มีความหมายในตัวมันด้วยมันไม่มีความหมายในฟืนด้วยฟืนก็มีความหมายตัวเองด้วยไม่มีความหมายในไฟด้วยไม่ไม่มีอะไรรับทราบกันเลยพูดรับทราบคือผู้ยืนดูอยู่นี่สังหาเรามี่ยทุรับทราบนยเรื่องธาตุหลังขันที่มันแสดงตัวในอาการต่างๆของพระพิลาศท่านก็เหมือนกันอย่างนั้นมันตัวควรจะไปยังไงมันก็เป็นทั้งหมันเพราะว่าทุกเวทนามันบีบบังคับธาตุขันให้ิให้งอให้ดิดให้ดิ่นอะไรเเหมือนกับ ไฟไม่ก่อไผ่กันเดีดครั้งที่มันก็ไม่รู้คำหมายของกันเลยทุกเวทนาก็ไม่รู้คำหมายของตนและไม่รู้คำหมายของร่างกายส่วนต่างๆร่างกายส่วนต่างๆก็ไม่รู้คหมายของตนและไม่รู้คหมายงทุกเวทนาว่ามันบีบคันยังไงบ้างเลยแต่มันก็บีบก็เผาไปเช่นเดียวกับไฟมันเผาไม้นั่นเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ ขี่นำไม่ได้แตธรรมดาไม่ขี่นำไม่ได้ถ้ามันถึงที่ของมันแล้วมันก็ไม่ต้องขณ า, าม้นก็รู้เองอย่างที่ว่ากิจที่บริสุทธิ์สูญไปยังไงขอกยกตัวอย่างีนขณะที่ทพระ อ, อนุทะตามพระกิจของบุรุเจ้าสิตอนท่านจ ะ, จะเจริญปริยผ่าน พระสงฆ์นาก็ถามนี้พาท่านไปถึงถ้าเดินเข้าถึงทัญญาเวทายตานิโลธคือเลิ่ตั้งแต่ผสมประชานไปเรื่อยผู้ติยาชาติเดชาติโดยชาติมีเรียกว่ารูปประชานแล้วก้าเข้าสู่รูปประชานนักก่น อ, อาคาสาจจรัญญาจาระอาทิตยานะเนรัญญาณะนาสัญญาณะนาสัญญนะแล้วก้าเข้าสู่สัญญาเวทายตานิโรธนิ บ, บาศระงับพระองค์อย่นั้นระงับสมมุติคุณอย่างไรอยู่ที่นั้น นิ่งกำเราดูด้วยตาเนื้อเนื้อสังเกตด้วยใจธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่รู้สิที่ต้องถามท่านนี่ไม่ใช่พระองค์ปฏิภาณนั่นหรือพระธรรมธาตุซึ่ตามตลอดเวลานั้นไม่ยังเวลาที่ท่านกําลังเข้าสัญญาอิตายโลดหนักฟังสิเอถอยออกมาก็บอกว่าถอยออกมาภา ะ, ะกิตที่บริสุทธิ์นี่ยเมื่อไม่มีอะไรเป็นเครื่องพาดพิงแล้วก็ไม่ทราบว่าไปยังไงมาไงคือจะรู้อยู่แต่ว่าพูดไม่ได้เนี่ยไม่มีสิ่งพลาดพิง ทีนี่เมื่อมีสมมติคือประฐมวชชานุติยชานเป็นต้นจนกระทั่งถึงสัญญาไปไทยโสดนี่เป็นสมมุติพาดพิงไปแล้วในเวลานี้เข้าประถมวชานุติยชานเรื่อยๆนี่ธรรมชาติที่เป็นสมมตินี่ผ่านไปนี่นี่ผ่านไปนี่ถ้ามีสมมุติเป็นเครื่องพาดพิงกันอยู่นี่มันก็พอพูดได้สัญญาไปไทยโสธรก็เป็นสมมุติเวลถาถอดออกมก็ทราบพระจิตที่ถอดมานถอาบริสุทธ์แล้วอะไรผ่าน รูปชาญรูปประชาญไปถึงธัญญาจารย์รุ่นถ้าศูนย์น่ะนะก็ธรรมชาติที่บริสุทธิ์น่ไปเองไปอ่ะนี่พอถอยลงมาจนกระทั่งถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแล้วก็ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ก้าพอก้าขอคราวนี้ก็ผ่านเจตุรชานแล้วกับนี้ก็ออกนั้นระหว่างสมมุติทั้งสองคือรูปประชาญก็เป็นสมุติอรูปประชาญก็เป็นสมมุติทั้งนั้นผ่านอานี้ ปฏิญญาผ่านแล้วนะนั่นตอนนี้ไม่มีอะไรพลาดพิงแล้วนะนั่นว่ากิจอันั้นศูนย์ไปไหนแต่ไม่ได้มีอยู่แบบโลกนี้อยู่ไม่ได้ศูนย์แบบโลกศูนยะ์นั่นเป็นธรรมชาตินั้นถ้าจะว่าทําการก็คือทําการระหว่างสมมุติความศูนย์ไปและความมีอยู่ก็พูดได้เพียงเท่านั้นจะพูดให้มากกว่านั้นไม่ได้อีกเอาที่เอาอะไรไปจับที่อันนี้ วิทยาศาสตร์ไหนก็มาจับเสดวิทยาศาสตร์เป็นสมมติทั้งนั้นอย่ น, นั้นเป็นนิมิตเอามามาจับกันได้ยังไงวิทยาศาสตร์ก็อาศัยสภาพวัตถุอะไรอั น, นั้นไม่ใช่วัตถุเรียนเข้าไปกี่ร้อยกี่พันกี่หมืี่สนรู้กี่ร้อยกี่หมื่นกี่มื่นกี่แสนดวงก็เปน็นเดียวกันหมดไม่มีอะไรข้านกันเป็นแบบเป็นแบบเหมาะพอดีกันหมดเลย พระรูปทีเจ้าทั้งหลายจึงไม่ได้ข้านกันในการสั่งสอนชัดโลกและไม่ได้ค้านกันในความบริสุทธิ์พระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่ได้ข้านกันในการาในความบริสุทธิ์เอาอะไรมาค้านกันเพราะทํานั้นไม่ใช่ทำข้านอานี้เรื่องว่าพระ น, นอนหลับแล้วไ ม, ม่หลับจึ ง, จงต้องคุ้เงากันมาบวกกับความเป็นอาหารหันต กับขันมาบวก ก, กันมาชนกั น, เ, นเหมือนเด็กเล่นตุ๊กตาความรูท้ทอยู่ในวงขันเป็นความรุ้ของธรรมชาตินั้นอะไรที่คูเข้าบกัอยู่กับขันนี่มันเป็นเรื่องของขันด้วยกันยับออกมาแล้วดับไปมันเกิดขึ้นมามันก็ดับแต่งเหมือนอันนี้ ธรรมชาติที่เป็นรากฐานอยู่นั่นสิไม่ได้มาเกี่ยวกับวันนี้นี่ที่ว่าชาคละนั่นอยู่นั่นต่างหากขันระงับตัวงไปหลับลงไปก็หลับไปสิจะตื่นขึ้นมาก็ตื่นสิเรื่องของขันจะหลับก็หลับจะตื่นก็ตื่นสิจะตายก็ตายสิเป็นรายใบแน่ยางกับยางยี่เป็นรายใบอันนั้นมันด้มาข้านใครนี่เพราะไม่อยู่ในวิสัยที่จะมาข้านกันมันเป็นฐานะระหว่างขันกับชาคละธรรมนั่นนั่น ปฏิบัติสิจำไหมนะคำพูดเหล่านี้เอาปฏิบัติอาหารที่มาค้านกันได้ไหมลงนั้นแล้วมันหากัานที่ค้านกันไม่ได้แหละอ๋อทีเดียวเท่านั้นพอเลยฮึยังไงทัมประกูต้องทำวันนี้ผมขอการอยากเปียนคนที่ว่าอยากและมำา้า้อาหารเต็มทุกเวลก ผมเข้าใจความหมายของคนที่พูดนะผมจะเข้าใจว่าไม่รู้ว่าพระอหันต์ท่านตื่นหรือไม่แต่ผมเข้าใจวค่ะพรอรหันต์ท่านตื่นอยู่ในโลกขาโลกขงสามนีกระบอกอยู่นลูกของน่ลอกหนนี้มันเป็นไปตามข้อตกทีนี้คนที่พูดว่าพระอหันต ไม่หล la ับึงจะจับเอาคว่าตื่นิดกระารท่านตื่นอยู่ในสามโลกฐานคือท่านท่านรู้แจ้อะไรหมดทุกิุอย่างครับถ้าว่าท่านเป็นผู้ตืนูในสามโลกฐนทีนี้คนที่พูดเข้ใจว่าคงจะไปได้ได้จับในคาว่าท่านตื่นสามโลกฐานนี้แล้วก็บอกว่าจะอานังนเป็นที่เข้าใจ ก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ว่าแต่คงเป็นแล ว, ว่าเป็นอะไรก็จะเป็นอะไรไปนะอย่าไปว่าคงให้หมอบใมันเรื่องโงคงจริงเลยเอาไม่ให้หมดตั้งตัวเลยมอบไมหมดเลยเพาะเป็นนั้นส <H m. S 1> ำเรื่องตายเกิดตายศูนย์นี่แหม่สาคัญมากนะ แบบบุญมีด้วย ม, มีนั่นเป็นอีกอย่างยังไม่หนักยิ่งกว่าคำว่าตายเกิดตายสูงอันนี้หนักมากนะจะพิสูจน์ได้ในภาคปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยนอกนั้นพิสูจน์ไม่ได้เรือนจบพระไตรปิฎกก็เถอะวางั้นเลยนะแล้วไม่ได้ประมาทพระไตรปิฎกท่านก็แสดงไว้แต่ความเชื่อจะเชื่อไปอนั่นมันมันมันไม่เชื่อเพราะกิเลสไม่ให้เชื่อนี่สิ่งปิดบังมันเปิดอยู่เนี่ย เกิดมากกี่เหมือนกี่แสนกี่ล้านพบล้านชาติมันก็ลบออกหมดมันเหมือนไม่มีเหมือนทุกเมื่อมีในอัตราภาพเดียวที่นี้ออกที่นี้มันก็ตัดไปหมดเลยอีกที่จะไปข้างหน้าจะมากยิ่งกว่าที่ผ่านมาแล้วมันก็ปิดไว้หมดไม่เห็นมันเห็นเฉพาะปัจจุบันที่รู้ๆอยู่นี้ในท่านในขันท่านพอโจรนี้ไปแล้วมันก็พังไปเลยไม่มีอะไรเหลือกิเลสตัวนี้สําคัญมากนะมันอยู่บนหัวใจที่ไม่สูญนั่นแหละหัวใจตรงนี้มันไม่สูญกิเลสมันก็อยู่บนหัวใจนี่แหละ แต่มันปิดหัวใจไว้เสียไม่รู้เงื่อนต้นเงื่อนปลายเงื่อนต้นก็คือตั้งแต่เกิดมาเรื่อยมากี่พบกี่ท่านแล้วเงื่อนปลายที่จะสืบต่อพบต่อชาติริษยาลัยมันปิดไว้หมดมันเห็นอยู่ในวงปัจจุบันรู้อยู่ปัจจุบันเท่านี้ไม่รู้มากกว่านี้นี่เมื่อมันไม่รู้มากกว่านี้ก็พเพรายนี้ดับลงไปมันก็หมดมันวางส่วนกิเลสมันอยู่บนหัวใจมันมันไม่ได้ว่านะว่าถ้าถ้าจิตมันสุนแล้วกิเลสบรรลัยน้ําไม่ได้บอก จิตเท่าที่กิดเลสมันยังมีอยู่ว่าใจ เ, เพราะกิตเพราะใจไม่สูญนั่นเองกิดเลสมันถึงยังมีมันถึงได้หลอกโลกต้มถุนโลกเรื่อยมามันไม่บอกตรงนี้อยากจะทราบมันก็พิจารณาไปสิรือมันค่อยรู้โดยลําดับลำดับไปตั้งแต่ขั้นธรรมที่นี่คือมันจะค่อยเป็นวงเข้ามาวงเข้ามาแคบเข้ามาตะล่อมเข้ามาพออย่างนี้แล้วกระจายออกเครื่องปัญญาที่นี่รามาของจิตมันมียึดมีเหนี่ยวอะไรนี่มันจะบอก มันเป็นสายไปยังไงยังไงนี่ปัญญาก็จะ ต, าาตัดเข้ามาตัดเข้ามาตัดเข้ามาวนเข้ามาเรื่อยส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดลงไปเรื่อยๆเรื่อยจนกระทั่งหาที่ตัดไม่ได้ไปรวมที่กิดที่เรียกว่าอาวิชชาคือมันขาดหมดเชื่ออันนี้ที่จะไปต่อไปที่ตรงไหนไม่มีแต่มันก็อยู่ที่อวิชชามารวมอยู่ที่ตรงนั้นมันก็เกิดเป็นภูมิละเอียดนะเช่นอย่างพระนาคาเม่นั่นคือพวกที่รวมแล้วเนี่ย นาาคมี่พอพังอันนี้ออกไปหมดแล้วท่นนี้ขาดเลยมันก็เห็นชัดในใจน่ะไม่มีอะไรแล้วมันก็รู้ชัดจะสืบต่อในอะไรหลาเหตุที่เป็นมาตั้งแต่พบไหนชาติใดมันก็รู้มาโดยลำดับแล้วพอมันขาดสะบั้นไปแล้วนี่เดียวกับปัจจุบันนี่ขาดสะบั้นไปหมดอนาคตต้องมีเงื่อนต่ออดีตก็ขาดมาแล้วอนาคตก็ไปจากอันเดียวนี้มันขาดสะบั้นไปแล้วนันมันรู้ชัด ที่นี่ไม่เกิดน่ศูนย์ไหมที่นี่นานเอาอะไรมาศูนย์นถ้าศูนย์นจะไม่รู้ว่าไม่เกิดล่ะะผู้บริสุทธิ์เอาไหนมาศูนย์วะอะไรจะเป็นลบความบริสุทธิ์นั้นได้ความบริสุทธิ์มันทำเหนือโลกอะไรไปลบได้ขี้เหลียมันตายแล้วขี้เหลียลบไม่ได้แล้วยิ่งรู้ชัดเลยเนี่ต้องพิสูจน์สภาพปฏิบัติ ผู้ที่เจ้าวิาาวชาปัญาสร้างคาราสร้างคาราปฏิญาวิญญาณนั้นแม่ซึ้งมากๆจริงๆแต่เราจะพิจารณาวิชาปฏิบัติอวิชาต่ อ, อวิชาอย่างที่ท่านเรียงลําดับไว้นั้นไม่ได้นะอื <c oughs> ท่านบอกเรื่องสาเหตุทั้งมันเมื่อมีอวิชาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นไปตัางหากท่านบรรยายถึงเรื่องมันต่างหาแต่ภาพปฏิบัติจะไปปฏิบัติอวิชาแล้วไปดับวิชาระดับสังขารดับวิ ญ, ญญาณไปไม่ได้เอันนั้นเป็นสาเหตุ อวิชชาเป็นสาเหตุให้มันแตกกระจายไปเป็นแขนงไปต่างหากพอถอนพวดขึ้นมานี้แล้วไม่ต้องบอกว่ากิ่งก้านสาขาตายไปด้วยกันหมดเลยท่านจึงว่าอาวิชชาจตาเวะวะเซเสวิดาวิราการิโดธาสร้างคารายโรโ้นก็ดับเรื่อยๆจนกระทั่งนิโรโทโหติอันนี้ดับเพรานั่นดับหมดถ้ามีอันนี้แล้วต้องเป็นอย่างนั้นๆต่อแขนงไปพอถอนพวดขึ้นมานี้แล้วดับไปหมดเลยความหมายของนั้น พราะฉันการอธิบายธรรมะนี่ก็คืออธิบายเรื่องอวิชานั่นเองพอถึงขั้นละเอียดแล้วเป็นอวิชารุวนๆเนี่ยอธิบายเรื่องอวิชารุวนๆจะไม่บอกว่าแสดงปฏิจจสมุปบาทอาวิชายาพยาทั้งหลายก็ตากการพิจารณาเข้าไปโดยลาดับลาดับลาดับลาดับนั้นคือตัดกิ่งกา้านสาขาหรือว่าตัดลากฝอยลากอะไรเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหน้ากแก้วถอนพรวดขึ้นมานะหมายถึงว่าดับกันที่จิตเลย ผลจุดท่ากิเลสมันรวมอยู่ที่จิตก็ดับกันที่นั่นเลยเพราะนั่นหมดแล้วมันก็หมดนั่นอวิชามันหมดไปแล้วสังขารปุ่มขึ้นมามันก็เป็นสังขารขันร่ว น, ว, นวนไปเสียลมันไม่ใช่สังขารส ม, มุทยัยแน่เพราะเพราะวิชาดับสังขารก็ดับคือว่าสังขารที่เป็นส ม, มุทยัยซึ่งออกมาจากาวิชาบงการนั่ น, น, นมันดับไปแล้วนั่นความหมายว่าอย่างนั้นนะ แต่ก่อนมันปรุงขึ้นมามันมันมันก็เป็นสมุทรไทยลาบซากขจิวิญญาณก็เป็นสมุทรไทยสัมผัสก็เป็นสมุทรไทยแล้วเป็นสมุทรไทยไปหมดนั่นสมุริโยโหตินันว่านนั่นทีนี้พอดับมันนี้หมดแล้วอะไรที่เนี่ยสังขารก็ดับสังขารที่เป็นตัวสมุทรไทยมันดับวิญญาณที่เป็นตัวสมุทรไทยมันดับสรายชนะเรื่อยไปจนกรทั่งถึงภพชาติมันดับมันดับมันดับนั่นฟังสิอวิชชาแท้ๆเป็นอย่างนี้นี่นะ อันนี้เวลาท่านเรียงลําดับผู้ปฏิบัติเลยจะไปเรียงอย่างนั้นตายเออท่านพูดถึงต้นเหตุมันที่เป็นสมุทยัยต้นเหตุที่มันเป็นนิโรธเป็นมาจากไหนมาจากมรรคเนี่ยต้นเหตุที่เป็นมาจากสมุทัยก็คือกี้เลศนั่น่ะวิชานั่นเน่ยท่านพูดพูดตามเรื่องของมันต่างหากนนะไม่ใช่ว่าให้ดับตามเรื่อ ง, องมันดับ วิชาลราจริงจะดับสังขารยึดดับวิญญาณดับนามรูปดับธารยุทธนะดับไปเรื่อยๆไม่ใช่เอ้ยอย่าไปตะคุ่มเงาหนาดับตรงนี้แล้วมันกรดับทุกไปหมดทั้งเรื่อบรรยายตามเรื่องความดับของมันอันนั้นกอันนี้เมื่ออวิชาดับแล้วสังขารมันก็ดับวิญญาณถ้าจะว่าพูดย้ำเดียวกันเขียนลงในตัวเดียวกันมันจะอ่านออกได้ยังไงก็ต้องเรียงลาดับเช่นอย่างทุกสมุทัยนิโรจน์มาผู้ปฏิบัติ หจะไ ป, ไปกําหนดทุกแล้วจึงจะไปละสมุทยัยจึงจะไปเจริญมากจึงจะไปเออจึงจะไปทํานิโรธให้ดับเพงจะไปเจริญมากตาอทํา ท, ทั้งสี่นี้ทํางานเกี่ยวโยงกันพอทุกเกิดขึ้นทราบว่าทุกเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนั่นนั่นเป็นมรรคนั่นค้นหาเหตุเหล่านั้น น, น่ะสติจองไปปัญญาพิจารณาลางไปนั่นมรรคทางานแล้วนั่นนะค้นหาสมุทยัยตัวพาให้เกิดมันเกิดเพราะอะไร อพอทราบมันแล้วมันก็ดับนั่นน่ะนิโรธนะขึ้นมาในระยะเดียวกันเป็นลําดับลําดาไม่ใช่นิโรธจะดับเพื่ทีเดียวนะอืจะค่อยดับไปโดยลำดับลำดจาจนกระทั่งถึงขั้นถอนรากแก้วมันตึงพรวดทีเดียวนั้นดับพข้อมูล น, ะนี่แหละสติปัฏฐานสี่ก็เหมือนกันท่านแยกเวลาท่านแสดงนกักแสดงเป็นอาการของมันเหมือนกับว่าทําอย่างนี้แล้วให้ทํางั้นให้ทําอย่างนั้นแต่ผู้ไปปฏิบัติจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะจอเราไปทีเดียวนี่มันวิ่งไปถึงกันหมด ถึงกันหมดสติปัฏฐานสอริยสัจสี่ถึงกันหมดอวิชาเหมือนกันพราออวิชามันดับเท่านั้นหมดเชือดับแล้วสังขารก็มีแต่สังขารล้วนๆสังขารขันล้วนๆไม่มีสังขารเป็นตัวสมูทัยเพราะสมูทัยไม่มีจึงเรียกว่าขันล้วนๆวิญญาณก็ล้วนๆไปเสียสัมผัสกับสัมผัสไปธรรมดารับทราบไปธรรมดารุ่นๆรุ่นๆ อะไรก็นับพบเป็นชาติมันก็ดับเป็นหมดไม่มีอะไรเหลือเลยดับพบดับชาติอะไรเรื่ อ, อยท่านก็บอกไปยังไงเข้าใจไหมท่านพระครูอธิบายวิชาบันนี้เข้าใจไหมเข้าใจเมื่อนั่นแหละแต่ท่านก็เรียงลําดับไปให้รู้ <c oughs> ไม่อย่างนั้นจะสมภูมิ จ, จดัดายังไงต้องวางาให้ละเอียดละวอเช่นอย่างมารสีผลสีนิพพานหนึ่งนี่ทํางานเกี่ยวโยงกันไปเกี่ยวโยงกันไปเกี่ยวโยงกันไปท่านก็อธิแก้ไว้อย่างละเอียดละอ้อ เราจะไปหาเร่ยงลำดับเอาอย่างนั้นตามเหมือนแบบเหมือนฉบับแผนนั้นไม่ได้การปฏิบัติมันกินเกี่ยวโ ย, โยโงกันไปหมดเหมือนกันคำว่าขั้นไม่ใช่จะเป็นขั้นเหมือนขั้นบันไดนะออืขั้นของเกิยไม่ใช่เหมือนขั้นบันได ข, นขั้นนี้เราจะไปขึ้นขั้นนั้นจะไปขึ้นขั้นนั้นมันนักเชื่อมโยโงกันไปโดยลำดับลําดาลําลดับลําดั มันมันรู้มันได้อย่างชัดเจนก็คือภาคราคะกามราคะรู้ชัดชัดเจนแต่ว่าขั้นก็ว่านี่มันรู้มันถอนของมันอย่างชัดเจนเออขาดแล้วทีนี้มันก็ชัดไม่มีเงื่อนต่อกันแล้วกามราคะขาดนี่มันก็รู้อะอวิชชาขาดรู้ เอานั้นเป็นขั้นก็ได้แต่มันทะลุอยู่ในจิตอันดวงเดียวกันนั่นนะเอจะให้เป็นขั้นนู้นขั้นนี้ไม่ได้ว่าเลยนะอะไรขานก็รู้อะไรมันยังเหลืออยู่ละเอียดมากน้อ ย, อ, ยอะไรมันก็รู้พอขาดลงไปมันก็รู้เท่านั้นเองหรือไม่รู้รู้อยู่นั่นหรือจะว่าเป็นขั้นนั้นขูมนี้ไม่ได้ว่านี่ท่านก็นเลี่ยมออกมาเพราะจอมปราดจะใครจะเกินพระพุทธเจ้าเลี่ยงมาไม่สงสัยแต่จะให้ไปหลงวา น, นั้นเอาสิ่งนั้นมาเป็นเนื้อเป็นหนังยิ่งกว่าการปฏิบัติ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 มันอิ่มมันก็รู้เองใช่ไหมล่ะมันก็พวกกัใส่น้ำเท่านั้นแหละพออิ่มน้ำแล้วมันก็หยุดเองในขั้นไหนที่นี่ใครไปกําหนดขั้นกูงูมูงมันก็ได้ว่าอิ่มแล้วในขั้นอิ่มก็เอาเอาชื่อเอาขั้นอิ่มเสียเท่านั้นเองจีอิ่มแล้วขั้นหนึ่งเสียนั่นหนาทำมากก็เหมือนกันนั้นพรอิ่มตัวมันก็รู้เองไม่ไปเห็นแต่ว่าหน้าน้าไม่ไเห็น อหมอมาบวชมันเขาเขียนภาพอวิชชาโอ้ยวงเรียนกันอย่างนี้เลยเขียนภาพอวิชชาทําเป็นลูกสอนอะไรยิ่งเลยหมดพอไปท่านสุคุณผมท่านบอกนี่ดูอวิชชายท่านอาจารย์เนี่ยเขาเขียนภาพอวิชชาไว้อ้ยเขาไม่ดูเลยว่ะอวิชชานี่วะใครปฏิบัติอวิชชาปฏิบัติแบบนี้ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมก็ไม่รู้อวิชชาเละ วิชาญอยู่ที่ไหนอ น, นั้นเขียนอะไรใครเขียนได้ฝันลงไปตรงนี้สิืออย่างงั้นเนอะก็ย่างงั้นแล้วอ่ะผมผมไม่ดูมันเสียเวลาแล้วอ่ะบอกนี่เลยท <laughs> ่านท่านก็มองหน้าผมเหมือนกันผมก็เฉยนี่ผมพูดด้วยความอานหานผมไม่ได้พูดด้วยความโอ้อวดด้วยนะความอ่านพูดด้วยความจริงนี่จะไปทํอยางนั้นมันจะไปหาเรียงลําดับอวิชาญกันนับแขนงนั้นกันแขนงนี้ไม่ทราบจะทําลายอะไรต่ออะไรไไดีมิจะนับขิดนับแขนงแล้วตายที่กระเป๋า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 ไม่เห็นไปเรียนลำหนับเวลาจะจะปฏิบัติทําเพื่อค่ากิเลสเราจะไปหาเรียนลำหับมันจะทันกันหรือวะฟาดกันลงไปซิ <c oughs> <c oughs> เงี้ยเอาอี้ <c oughs> โอ้จหจังหวไหน่ะ <c oughs> อ้โหชุชดตัวตอนนอนงริงนะทำกุฎิเจ้าน่ะเ <c oughs> หมือนกับวันนี้นะนี่นะนี่นะนี่นะเอาเงินนะอือกุฎิเจ้าปริพันธ์กี่ร้อยกี่พันปีก็าตามกี่องค์กี่ล้านองค์ กีล้านปีก็ตามไม่ได้สําคัญอะไรเลยกับนั้นความจริงอยู่กับเราทุกคนนี่น่ะท่านสอนลงมาสู่ความจริงนี่หน้านี่หน้าอยู่อย่างนั้นน่ะนี่สำคัญแต่กิเลสโน่นหนามันห่ากันนะดันนี้นโดดที่นน่นเสียไม่เอานี่หน้าอย่างทําท่านบอกโน่นหน้าฝันขากุดแขนขาดทะเลอกอกากเปิดไปตามมันเสียเห็นไหมกิเลสหลอกจัดโลกมันหลอกง่ายนิดเดียว เมื่อมันตรวจเวลา ม, มีกำลังมันรล่อ ง, งาอ่ายที่เดียวนะยับเดี๋ยวนั้นนะเอาแล้วหงายแล้วไม่เราไม่เห็นหมัดมันเลยหลอกหงายเห็นแต่หงายเลยหงายผึงลงไปแล้วผึงไปไหนผึงไปนอนหมอนแล้วดังเสียงคราะหได้การแหม่ได้ ย, ยินเสียงพวกได้การหรอเคราะได้การได้การผมขอการอะไอย่าง น, านี้ครับผมขอโทษอือ มีอยู่ั้งอีผ ม, น, มอออนั้งจิตแล้วก็สงบนิ่งจิตจะรู้ถึงขณะอ๋อในขณะนั้นมีความสุ ข, ข, ขความสบายว่าง ห, หมดผมถอนขึ้นมาผมสมาพิใรณ า, าให้คันว่าจิตว่างนีอ้อย่างที่ เขบอกว่าศูนย์ศูนเนี่ยเข้าใจว่าจิตที่ว่างไม่รับอารมณ์ต่างๆนั่นเองที่มันคือเรื่องประสบเพราะจิตมันไม่รับอารมณ์ทุกๆกิ่งทุกอย่างแล้วมั น, น, นไม่มีอะไรเกิดถูกแล้วอัน น, นี้เป็นก็เป็นอารมณ์นิทานจิตรู้อยู่แต่ว่าจิตไม่รับอารมณ์ ถ้าว่าจิตเป็นนิพพานแล้วมันก็เป็นอารมณ์ของนิพพานเต็มตัวถ้าจิตยังไม่เป็นนิพพานแต่จิตเป็นระยะที่จิตที่ว่างป่อย ว, วางนั้นมันมันก็เป็นกระแสะแห่งอารมณ์ของนิพพานคย่งเหมือนอย่างพระโสดาโสดาโสดาก็แปลวกระแสพาดถึงถึงแล้วความหมายว่างนั้นคือจิตเวลามันว่างแต่จิตยังไมไ่ว่างในตัวเองคือจิตเป็นขั้นหนึ่งขั้นนะ ยังคิดว่างอย่างหนึ่งคือว่างในขณะที่จิตกล้าเข้าสู่ความสงบเต็มที่ของตัวเองขณะที่เป็นสมาธิเต็มที่หรือรวมเต็มที่ก็ว่างพ้าถอนดอกสมาธิขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ว่างมันก็เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆทีนี้พอจิตเข้าถึงขั้นว่างในตัวขั้นว่างมันจริงนะมันก็ว่างไปหมดอมืมองดูต้นไม้ภูเขามองดูตานี่เห็นเป็นลาง แต่แต่จิตนี่มันทะลุไปหมดมองดูตนน้นไม้มันก็ทะลุไปเลยทะลุหรือมันว่างไปหมดมันเห็นแต่ตานี่เห็นเป็นพรเป็นเงาเงาลางๆทบบนั้นเช่นอย่างมองดูศาลาทั้งหลังนี่มันก็เป็นเพียงลางๆเป็นเหมือนกับเงาแต่ว่าจิตความว่างของจิตนี่มันพุ่งทะลุไปหมดเลยอันนี้ก็เรียกว่าว่างตามฐานของจิตแต่ในจิตตัวเองยังไม่ว่างจากตัวเองนักเ้พอพอมันวาระสุดท้าย ตัวนี้มันก็ว่างแต่ตัวเองนี่คือเหมือนกับว่าเราเอาถ้าเราจัสมุนนะเรามองดูในห้องนี้มันว่างเราเข้าไปอยู่ในห้องนี้เราไปดูห้องนี้โอห้องนี้ว่างแต่เรายังกีดขวางห้องอยู่ไปยืนอยู่กลางห้องอ่ะแต่ยังไม่ว่างนี่คือว่าจิดนี่มองดูอะไร้ามันว่างหมดแต่ตัวของจิตเองยังไม่ว่างตัวเองคือยังไม่ปล่อยไม่วางตัวเองก็ว่างห้องว่างแต่คนคนนั้น้องไปขวางอยู่ในห้องนั้น แล้วมีความรู้อนหนึ่งขึ้นมาเหมือนกับว่าเหมือนกับมีคนหนึ่งมาบอกถ้าห้องนั้นมันว่างว่างอะไรมันยังไม่ว่างคุณไปยืนกวางมันอยู่นั่นน่ะคุณอยากให้มันห้องนี้ว่างคุณก็ต้องออกมาที่พอออกมาแล้วห้องก็ว่างมีพอถอนอุทานความยึดมั่นในจิตที่ออกขึงทั้งท่านมันก็ว่างบมกที่จึงมาว่างในหลักธรรมชาติมว่างโดยสมบูรณ์เข้าใจหรือมันร่างสามว่างเท่าที่ใจพิจารณาเปลีนนั่นนะคือสมาธิเวลามันเข้ามันใจพิจิตร่ก็ว่างหมดไม่เกี่ยวเพาว่าอะไรเลย พอถึงขั àn, ích, ğim, message, ้นความว่างของจิตมันก็ว <question example> ่างอย่างว่างนี but, so, so ่ม <c oughs> ังด mm ูแลมันว่างไปหมดเลยง่ายสุดร่างกายของเราเนี่ยมันก็ว่างถ้ามองดูงนี้มันก็เป็นเงาๆเท่านั้นฮึถ้าใหญ่จิตมันอือหรืพอพอออกอย่างนี้แล้วมันก็ว่างไปหมดเลยว่างทั้งตัวจิตเองว่างทั้งอะไรไปหมด องว่างว่างระับธรรมชาตินี่ตัวโลกซื้อตัโลกางเวเขาถือโมคะราจินดาตัวนึอขขมโมฆติเพพิจาราที่นพิจารณาโลกตัวขอว่างตานะือว่างนั่นแหะแล้จะเข้าถึงว่างภายในจิตคว่างว่างตานี้มันคือมันไม่มีสาระอะไรพอดีวิวถถือปหลงมันนความหมายว่างนั้นเพื่อให้ปล่อยนั้นเข้ามาเขาแบบเข้ามาแล้ว แต่นั้นมางก็มาว่างในตัวเองคือสอรท่านพูดที่เป็นคิด ป, ปัญญากับทันทามิญญามันก็ต่างกาัคนควรจะหยิบยกทรมาอันใดให้ท่านก็ไม่มีคระราชหลัเกินของพระพุทธเจ้าคนที่แสดงยอดทำให้จิตนี้จะเข้าสู่ยอดจิตแล้วส้งมสาสัยสุดเดียวไปเลยทุกข์ทุกอ์ที่ปัญญามันรวดเร็ว คือพว ก, ก็ติกันอยู่วิบยินนูงพวกรวดเร็วเวลาเรายังไม่เข้าใจเท่านั้เข้าใจแล้วข่านไปแล้วก็เหมือนอย่างที่เราเรียนหนังสือในห้องเรียนนั่นนี่ยเวลาอธิบายนี่ครูอธิบายนี่ผู้มีความถนัดมันเข้าใจแล้วไอ้ผูดที่นั่นยังยุ่งอนั่นนะให้ครูอธิบายแล้วอธิบายแล้วไอ้ผู้ที่เข้าใจแล้วจนลาคาญพูดง่ายๆอย่านี่ยู้นั้นยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยมันต่างกันอย่างนี้แ่ลเชาวชาวคน ไม่ติกันงอคิ้งฮะที่ที่ว่ามีนักสนันมีที่จะรู้ได้รู้ที่ไม่ต้องถามม่ต้องฝึกเพ่อตนเองคือเป็นอาการที่ว่า แต้ใต้พวกมีสติจากสต้พวกผิดิดทุกคนาดพวมีขนาดอะไรอารมณ์อะไเกิดมาให้รู้แค่แล้วปิดประตูข้างในกันได้วต่นี้แล้าพอรู้ว่าจากมันนี้ไปเรื่อยแล้วถ้ารู้แล้วมันี้ถามมันไม่ได้หมอยความว่าไงไม่เข้าใจชัดคิอว่าทารที่คนรี้ติดตามพูดบางที ว่านกานี่แว่าที่ผอนยการลยก่ครูนักเรียนมาถามถามตัวนิลำานเนี่ยถ้าได้ว่ารูว่าไอปีตุนี้มันสติเนี่ยคอยจ้องอเรื่อยครับ้องไปจ้อ้องไปจห้ผู้ปฏิบัติที่เอาสติจ้องตัวนิลยืนยืนยู่เรื่อยเนี่ยกาปกปิประตู ไม่ให้ออกแกล้นอกเลยเอาติดก้องจันีแล้วตอนนี้อันนี้จะเป็นผลที่การปฏิัททตที่ไม่ต้องไปถามใครเลยที่ไม่ต้องอะไรที่ไม่ต้องไปถามว่าจะได้ทางท่านไหมข่านไหมท่านไหมอันนี้ไม่ต้องแล้วก็ผู้ ท, ที่ต้องนี่จะดูเอง่มคำถามนี่ก็ดูมันลั ก, กษณะเราเราเพราะนั่นผู้ตอบนี่จะตอบเราเหมือนกันผมก็ไม่กล้าตอบนะ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 มันเป็นภาพอยู่ภายในกําหนดพิจารณาภาพภายในก็จนกระทั่งว่างไปหมดทีนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละจิตมันว่างในตามฐานของมันมันว่างออตรงนั้นนี่อย่างนี้สิถ้ า, าว่าได้เคยพิจารณาด้วยกันได้รู้ด้วยกันพูดอย่างนี้มันก็มีปัญหาเนี่ยทํำทำยังไม่เป็นมันมันก็เป็นปัญหาอย่างย่างค่ำมันเนีลยอย่างที่ท่านพูดนี่เหมือ น, นกันไม่ถามใครเลยว่าอ่าอ่ากูปมาณนี้ ผู้หนึ่งมาหาเราว่าจะฆ้าเราเนี่ยแต่ผู้ที่สองมาอีกทีว่าไม่ก้าแล้วว่าไม่ก้าต่งตงางธรรมะผมเอาตัวที่คนที่จะฆ้าแต่ผู้ที่มาที่สองมันโวยวายแล้วถ้าปฏิบัติอย่างนี้นะมันไม่ต้องไปถามใคร ยังไม่ลงใจว่าจะควรต่อยยังไงนั่นพอเขาไม่เศร้าพูดรับคำตอบไปนั้นจะยิดไปได้ผิดถูกประกันไห้ก็จำมาแต่เงื่อนที่ว่านี่ก็แล้วกันแไปพิจารณาตัวเองนะจำมาเงื่อนที่ผมอธิบายให้ฟังไปพิจารณาตัวเอง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 คือยอมรับเป็นขั้นๆ น, นะไม่ได้หมายถึงว่ายอมรับอาหมดยอมรับเป็นขั้นๆไปก็ขั้นถึงขั้นมันหมดยอมรับหมดมันก็ยอมรับหมดการต่อปัญหาแล้วมันโอ้มันมีหลายแง่กระทุง่งบางทีก็ถามมาปั้มมันขึ้นปุบป๊บคือขึ้นนั้นขึ้นร้อยเปอร์เซ็ น, นเลย แต่ที่จะแยกแยะไปตอบให้ผู้ฟังมันจะรับประโยชน์มากน้อยเพียงไรยังต้องมาแยกมาแยกปัญหาอีก mm hmm. ควรจะรับประโยชน์แค่ไหนก็ออกแค่นั้นสม mm hmm. มุติว่าออกร้ออร์เซนี่ควรจะได้เก้าสิเปอร์เ็นก็ออกเก้าส mm ิบเปอร์เ็นตควรจะเข้าใจทั้งร้อยกว่าฟาออกทั้งร้อยเลย mm hmm. ควรจะเข้าใจแค่ห้าสิบก็ออกเพียงห้าสิบเปอร์เซนถ้าจะไ่ไม่ไม่น่าจะเข้าใจเลยก็ก็ไม่ตอบ ือมันมุ่งเหตุผลอันนั้นมากกว่าการปฏิบัตินี่มันอาจฐา น, นะนรูปตรงไหนมันอาจฐานเป็นลำดับลำดาแล้วไม่ลืมด้วยนะเพราะนี้เป็นวงสัตธรรมมันลืมไ่ด้งไงมันก็กลงกับจิตพระนากาเสงกับพยาวินถามกันนะถามที่ว่าพระสารท่า น, า น, านยัง มีหลงมีลืมอยู่เหมือนคนทั้งหลายไหมอ๋อมีหลวงลืมในสิ่งที่คนหลงลืมจําได้ในสิ่งที่คนจําได้นี่เราสรุปออกมาเลยนั่นเนี่ยเช่นอะไรเช่นจําบ้านจําเมืองจําชื่อจําเสียงจำํจำสูตรจําคำภีใบล้านอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันจําหน้ามันก็ลืมได้หลงได้ลืมได้นต่ส่วนสิ่งที่ไม่ลืมนั่นคืออะไรคืออริยสัจนั่นอริยสัจไม่ลืมนี่นั่นคือคือมัน ความจริงมันประกาศตัวอยู่ตลอดเวลาจะเอาอะไรมาลืมเนี่ยรู้ก็รู้ความจริงอย่นี่มันก็จะลืมอะไรความจริงต่อความจริงรู้กันมันจะลืมอะไรเนี่ยเพราะมันอยู่กับตัวกัอยู่กับใจเนี่ยท่านพูดหาที่ข้ามไม่ได้เลยนะแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเรื่องวงสัจธรรมนี่มันหม่เอี่ยมอยู่นั้นเพราะมันอยู่ด้วยกันเนี่ เหมือนกับว่าเป็นหินลับกันกระถูกหรืออยู่ด้วยกันด้วยอะไรด้วยความเคยชินกัน ก, นกระทุกพูดอะไรก็พูดแยกแยกแยกมาเป็นสมมติแล้วมันจิงต่อจิงอยู่ด้วยกันงง่ายๆน้องก็จะไม่ทราบจะหลงจะลืมกันอะไรไม่ใช่จิงกับปลอม ว่างจริงแหละจิตผมนี่ยอรือว่าเวลาว่างเนี่ยว่างมันก็มก็ฟิตข้ามันอยู่ในนั้นล่ะมันนังมีอารมณ์อันหนึ่งที่มันพิจารณามันฝึกมันซ่อมของมันอยู่ในนั้นเมว่าหมดมันไปมันก็มีของมันที่อเอาของมันฝึกซ้อมไปโดยลาดับธรรมดนอย่างแต่ก่อนเราพิจารณาสุภาษณนี่นะ เลาสุภาพมันกล้าทางด้านปัญญานี่มองเห็นคนนี่มันไม่ว่าหญิงว่าชายมันทะลุไปทันทีแล้วก้าวไปเพียงสามก้าวนี่มันสามารถพิจารณารอบไปถึงห้ารอบโดยหลักธรรมชาติของมันที่มันรวดเร็วนั่นซึ่งเราไม่เคยเป็นมันก็เป็นทั้งมันเมื่อมันคล่องตัวของมันมองดูภาพนี่มันวิ่งมันวิ่งพุบเข้าไปเลยมันไม่ได้อยู่นอกๆนี่นะพุบพับเข้าไปทะลุเหมือนเราได้ห้ารอบแล้ว ถ้าลงไปจะได้เพียงสามเก้านั่นไปห้ารอบแล้วไม่งั้นมันก็ปล่อยไม่ได้อย่างว่านะมันไม่ถึงขนาดเรียงไกลในปัญญาขั้นนี้พอจากนั้นแล้วมันก็พว่างส่วนรูปแบบหยาบมันก็ยะว่างไปหมดนันก็มีภาพอันนั้นอะ่ะเ็ามาปรุงภาพภายใน ขึ้นมากำหนดนั่นมันก็มันก็ดับแล้วกำหนดขึ้นมามันก็ดั บ, ดบเป็นภาพภายในปิดฉากควานี้ดับไปหมดแล้วมันก็เป็นเหมือนอะไรแสงห้อยผับ พ, พอปรุงขึ้นมาเป็นภาพผับดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมนี่เราจะเอาสุภาพมาพิจารณาอย่างที่ว่าไม่ได้เลยทีนี่นะไหนเอาดูอตั้งขึ้นมาจะเอาอะไรเป็นสุภาพเามันตั้งขึ้นมาภาพ ม, มันดับพร้อมไปแล้วเอาอะไรมาเป็นสุภาพได้ทัานท่างที่ก่อนสุภาพมันเก่งของมันนะอืุภาพก็ต้องอาศัยรูปนั่นแหละเป็นอสุภาพนะ แต่ที่นี้พอมันหมดจากคันนั้นแล้วพอปรุงขึ้นภาพมันจะดับพุบไปเลยทันทีจะแยกอะไรไม่ทันแหละเหมือนกับเสียงห้อยหรือฟ้าแมบเนี่ยภาพขึ้นมาเป็นภาพระดับคือภาพมหมดเลยเป็นหลักธรรมชาติทั้งหมดเอาไว้ไม่อยู่จะกลางไว้ให้เห็นอย่างแต่ก่อนจะไม่ได้พอปลากรึ้งมาภาพมันดับพุบดับพุบกับพุบมันก็มีแต่เพียงเสียงแยบแยบแยบเหมือนฟ้าแมพอยู่ภายในจิตเป็นภาพออกมามันก็ฝึกซ่อมอยู่นั่นสุดท้ายันก็แยบยับมาจากไหนเนี่ยมันก็ลงกันไปตรงนี้ มาจากไหนน้นก็ร่นเข้าไปยังเไปถึงจิตจนกระทั่งมันไปทําลายกันในนั้นจนแล้วมันก็ปัญหาเงานี่ก็ไม่ตื่นสังขารก็ปรุงได้แต่มันไม่ตื่นที่นี่ถึงมันจะว่างก็ไม่ตื่นไม่ว่างก็ไม่ตื่นมันคิดคิดอะไรขึ้นมาพับก็รูปมันคิดที่มาก็ดับมันเสซะมันก็ไม่ตื่นซะลงมันตื่นมันมีนี่ก็เล่น ในภาพนั้นก็คือกําลังนั้นมันยังไม่มันยังไม่รอบมันก็เอานั่นเป็นเครื่องฝึกซ้อมจิตเหมือนกับว่าเป็นตุ๊กตานั่นแหละเล่นเครื่องเล่นของจิตพรว่ามันพอมันแล้วมันก็ปล่อยถึงจะมีภาพขึ้นมามันก็รู้ไม่ตื่นเสี้ยมันมันรู้้งหลึกลับมากนะจิตนี่จิตกับกิเลสนี้ลึกลับมากเราอยากว่าพอๆกันแล้วมาอยากว่าอย่างอื่นนะอยางว่าพอๆกันความลึกลับ ของทำความลึกลับของกิเลสนี่พอๆกันแต่ถึงถึงวาอยู่ในวลลาะที่กิเลสมันมันตอกหน้าออกันนี่ก็แหมมีเรื่องของกิเลสทั้งนั้นทีเดียวออกทำถ้าอยากไม่ได้ถูกมันปัดทีเดียวโอ้ยตกเวทีกิ้งนี่พอหมุนทำเข้าไปหมุนทาเข้าไปหลายครั้งแล้วหมุนเข้าไปก็ถูกปัดกิเลสตกลงไปกริ้งไปเหมือนกันเนี่ย มาทําได้ออกทําหน้าที่แล้วที่นี่เอากิเลสเข้ามาในเวทีไม่ได้ตกเลยตกเลยนะนั้นถึงนราจะค้นหามันอก่อนค้นหาธรรมก็ไม่เจอมีแต่กิเลสหยุดบนเวทีเต็มหมดต่อมาก็ค้นหกกิเลสก็ไม่เจอกิเลสตกเวทีมีแต่ธรรมเต็มเวทีนั่นเจอตรงไหนใส่กันเปี้ยงลงตุ่มเลยตุ่มเลยเจอไม่ได้เจอต้องพังเลยเนี่ย สติปัญญาขั้นนั้นเป็นขั้นที่ถอยไม่ได้ว่างั้นเถอะนะขั้นที่เกลี่ยงกลที่สุดกล้าหาญที่สุดอมันมันมันมีวาระเหมือนกันเวลาทำเปิดเผยก็เปิดเผยเต็มที่เวลาที่เลดเปิดเผยก็เปิดเผยเต็มที่ของมันแสดงสุดเหี่ยงของมันนั่นแหละทําก็สุดเบี่ยงของทำทำเครื่องต่อสู้กันนะคืนมรกับสมุทัยต่อสู้กันเวลามรกมีกําลังก็ มีแต่ทำบนเวทีมีแต่สติปัญญาบนหัวใจเต็มหัวใจเลยจิเลศก็หมอบจิเลศหมอบเวลาจิเลศมันฉลาดมันหลบมันซ่อนคุยเขี่ยหาางานคุ้ยเขี่ยก็เป็นงานอันหนึ่งการคุ้ยเขี่ยเป็นงานนี<อ>่เจอเพื่อนก็เอาแล้วเจองานแล้วใส่เที่ยงทั้งนั้นรวมตัวเข้าไปรวมตัวเข้าไปครัาจิตกับจิเลขึ้นอยู่ด้วยกันนั่นเป็นฟุตบอลนะัดเตะกันไปสิ่งกันมาอยู่นั่นน่ะ ออกมาก็พันกันแตกกระจาย ห, หมดปัญหาเลยอะล่ะอีนะ่นั้นะเรือกกันนะขึะ้นมาขึ้นมาเขาเหนืห่อยเขาเหนื่อยเขาไ ม, ไไมา่ไม่ทันยาแล้วเหนื่อยมากกว่านันอ่